จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตาคารณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบสีเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจ ย, ยิ่งกว่าความคำสอนของผู้อื่นเช่นความคำสอนทางโลกความรู้ทางโลกถึงระดับปริญญาเอง เป็นความรู้ชนิดที่เรียกว่าความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดเพราะผู้ที่เรียนจบป ร, ริญญาเอกก็ยังไม่สามารถกาจัดความทุกข์ไม่ให้มีอยู่ในใจได้ไม่สามารถป้องกันชีวิตจิตใจของตนให้ตกต่งได้คนจบป ร, ริญญาเอกบางคน ยังต้องไปติดคุกติตารางยังต้องฆ่าตัวตายยังต้องมีความเสื่อมเสียต่างๆเพราะความรู้ทางโลกนั้นไม่ได้สอนไม่ได้บอกวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นตกต่าําไม่ให้ใจของเรานั้นไปสร้างความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่น ความรู้ทางโลกนี้จึงมักเป็นความรู้ที่จะฉุดกให้ไปทําร้ายผู้อื่นไปทําบาปทํากรรมแก่ผู้อื่นเพราะไม่รู้ว่าการทําร้ายผู้อื่นทําบาปทํากรรมแก่ผู้อื่นนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต คือภพชาติที่จะตามมาต่อไปแต่ความรู้ของพระพุทธศาสนานี้จะสอนให้เราทําในสิ่งที่ทําให้ใจเรามีแต่ความสุขทําให้ใจเราไม่มีความทุกข์ทําให้ใจเราสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้า และขั้นของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะชีวิตของเราจิตใจของเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดไปกับร่างกายร่างกายนี้พอตายไปแล้วจิตใจของเรายังไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราก็จะเดินทางไปต่อไปรับรางวัลเรื่อนไปรับโทษ ขึ้นอยู่ว่าได้ทำบุญหรือทำบาปทำดีหรือทำชั่วผู้ที่ศึกษาวิชาความรู้ทางโลกจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้จะไม่คิดว่าตนเองนั้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วยังจะต้องไปรับรางวัลหรือไปรับโทษต่อแต่ทางพระพุทธศาสนานี้สอน เรื่องของใจที่จะต้องไปรับผลต่อเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมทรงตัดสรูเห็นว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่ยังต้องไปรับผลของบุญและบาปที่ทําไว้ต่อไป และเป็นผู้รับผลบุญและบาปที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะเป็นผู้สร้างบุญและบาปขึ้นมาด้วยตนเองนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนความรู้ที่จะให้พุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนมีไว้เป็นเครื่องส่องทางเป็นแสงส่องทาง เพราะใจของเรานั้นเป็นเหมือนผู้ที่อยู่ในที่มืดเช่นในเวลากลางคืนถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราก็อาจจะเดินหรือทำอะไรที่ทำให้เกิดโทษกับตัวเราเช่นเดินไปชนเสาเดินไปชนต้นไม้ เดินไปตกหลุมตกบอ่อเพราะว่าเราไม่เห็นเนื่องจากความมืดมันปิดกั้นไว้ใจของเรานี้เมื่อเปรียบเทียบกับใจของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนคนตาบอดกับคนตาดีหรือคนที่อยู่ในที่มืดที่มีแสงสว่างสองทางกับคนที่ อยู่ในที่มืดแต่ไม่มีแสงสว่างสองทางคนที่มีแสงสว่างสองทางย่อมเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ทั้งข้างหน้าและทั้งข้างหลังและรอบด้านก็จะสามารถดําเนินเดินไปได้อย่างปลอดภัยไม่ไปชนต้นไม้ไม่ไปตกหลุมตกบอก่อ แต่คนที่ไม่มีแสงสว่างนำไปก็จะต้องเดินไปชนต้นไม้บ้างไปตกหลุมตกบ่บ้างไปเหยียบมูบ้างเพราะความมืดทำให้ไม่เห็นอะไรนั่นเองความมืดของใจก็คือการขาดวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือความหลงความหลงและอวิชชาความไม่รู้ ความจริงต่างๆที่ใจของเราไปสัมผัสรับรู้และเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราจึงต้องหาแสงสว่างนำทางแล้วก็ไม่มีแสงสว่างนำทางอันใดที่จะดีที่สุดที่จะถูกต้องที่สุดเท่ากับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบุตรัต ศึกษาและปฏิบัติตามถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามรู้ไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเหมือนมีมีดแต่ไม่เอาไปใช้ทําประโยชน์เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามีมีดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำกับข้าวกับปลาอาหาร ก็จะได้อาหารมารับประทานดังนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเพื่อให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขให้เกิดความดับทุกข์ภายในใจของเราเราก็ต้องน้อมเอาไปปฏิบัติความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ พุทธศาสนาสนิกชนรู้นี้มีอยู่7ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สให้รู้ตนข้อที่สให้รู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่6ให้รู้กาลเทศะข้อที่7 ให้รู้ประมาณนี่คือความรู้ที่จะทำให้ชีวิตของผู้ปฏิบัติตามนั้นมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าปราศจากความทุกขความเสื่อมเสียทั้งหลายดังนั้นเราต้องมาศึกษากันดูว่าความรู้ทั้งเจ็ดชนิดนี้มีเป็นอย่างไรบ้าง ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกันคือรู้เหตุและรู้ผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือความสุขและความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสือนน่อมนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุ ถ้าเรารู้เหตุของความสุขแล้วเราสร้างเหตุนั้น<พ>เราก็จะได้รับความสุขเหมือนกับเรารู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้จะออกผลไม้ชนิดนี้ถ้าเราปลูกต้นไม้ชนิดนี้ต่อไปเราก็จะได้รับผลไม้ชนิดนี้เช่นเราอยากจะได้ส้มเราก็ต้องปลูกต้นส้ง ถ้าเราอยากจะได้สับปะรดเราก็ต้องปลูกต้นสับปะรด ถ, ถ้าเราอยากได้ต้นส้มแล้วเราไปปลูกต้นสับปะรดเราก็จะไม่ได้ต้นส้มเราจะได้สับปะรดฉันใดเหตุคือการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดผลต่างๆ คือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียถ้าเราสร้างเหตุคือพูดดีคิดดีทำดีผลที่จะตามมาก็คือความสุขความเจริญถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียที่จะตามมา อย่างวันนี้ญาติโยมได้คิดดีพูดดีทำดีคือได้คิดว่าจะมาวัดมาทำบุญให้ทานมาฟังเทศฟังธรรมญาติโยมก็พูดดีคือพูดชวนญาติสนิทมิตสหายให้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็ทำดีได้ออกเดินทางมาที่วัดนำกับข้าวกับปลาอาหาร ข้าวหวานต่างๆมาถวายพระพอได้ทำแล้วใจก็เกิดความสุขสบายใจเกิดความอิ่มใจเกิดความปิติเกิดความภูมิใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นวันนี้ชวนให้ไปทําบาปกันไปลักขโมย ไปทำร้ายผู้อื่นพอคิดแล้วก็ชวนให้เพื่อนไปพอไปแล้วก็ไปทำร้ายผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นผลที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ใจก็จะตามมาความเสียใจความหวาดกลัวก็จะตามมาเพราะกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษต่อไป นี่คือเรื่องที่เราต้องรู้คือเรื่องเหตุและเรื่องผลผลที่เราอยากได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำของเราเป็นหลักไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้อื่น mm hmm. เช่นเราอยากได้อะไรแต่เรามาขอพระพุทธเจ้ามาขอจากพระพุทธรูปอย่างนี้ขอไปก็ไม่ได้ถ้าได้ก็อาจจะเป็นการบังเอิญ เพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นก็เกิดได้เพราะว่าในอดีตเราเคยสร้างเหตุที่ดีเอาไว้แล้วพอปัจจุบันผลที่ดีที่เราปรารถนาก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากพระพุทธเรูป เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ว่าเราต้องเป็นผู้สร้างเหตุเองเราเป็นผู้ที่พึ่งของตนเองอตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเร า, เราอยากจะได้ความสุขความเจริญเราอยากจะได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องคิดดีพูดดีทดําดีเพราะการคิดดีพูดดีนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราปรารถนากันนี่คือความรู้ที่เราควรที่จะรู้และปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามได้ชีวิตของเรานั้นมีจะมีแต่ความสุขและความเจริญจะไม่มีความทุกข ความเสื่อมเสียต่างๆตามมาอย่างแน่นอนจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางจะไม่ต้องไปมีปัญหาไปมีเรื่องมีราวกับใครทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ไปสร้างเรื่องขึ้นมานั่นเองเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาเราไม่ได้ไปสร้างบาปสร้างกรรมนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลส่วนเรื่องที่สก็คือ เรื่องของการรู้ตนเราก็ต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรเพราะคนเหลา่านี้มีฐานะที่แตกต่างกัน mm hmm. เกิดมาแล้วก็เป็นได้สองเพศหรือสามเพศก็คือเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือไม่ใช่เป็นหญิงหรือไม่ใช่เป็นชาย mm hmm. เราก็ต้องรู้แต่ในสังคมนี้เขารู้ว่า เขารับเพียงสองเพศเท่านั้นก็คือเพศหญิงและเพศชายเพราะร่างกายของเรานั้นมีอวัยวะเพศที่ต่างกันมีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันเพศหญิงก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งเพศชายก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งการทําตัวของเราเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะกับเพศของเราถ้าเราเป็นหญิงเราไปทําตัวเป็นชายก็จะเป็น คนแปลกไปถ้าเราเป็นชายไปทําตัวเป็นหญิงเราก็จะเป็นคนแปลกไปจะทําให้ผู้อื่นนั้นเขาไม่มั่นใจในตัวเราว่าเรามีสติดีหรือไม่มีสติที่สมประกอบหรือไม่หรือเป็นคนเพี้ยนเป็นคนไม่ปกติก็จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่มีคนที่เขาอยากจะ พกคค้าสมาคมด้วยอยากจะร่วมสังกรัรมด้วยเราก็จะเป็นคนที่อยู่แบบไม่มีเพื่อนชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆนี่คือการรู้ตนให้รู้ว่าเพศของเราเป็นอะไรเป็นหญิงหรือเป็นชายนอกจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่า เราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญนะ่การเป็นเด็กเราก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเช่นเป็นเด็กก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสามาคารวะนะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความหนักนั่นในเหตุผลเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้น้อยนะการวางตัวของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าเราวางตัวไม่ถูกเราก็จะถูกสังคมประนามได้หรือถูกสังคมรังเกียจได้ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนประนามหรือรังเกียจเราเราก็จะไม่ค่อยมีความสุขเราจะมีความทุกข์มากกว่าดังนั้นเราต้องศึกษาดูฐานะของเราว่าเราเป็นอะไรและ ปฏิบัติตามฐานะของเราเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชายเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นคารวะทุกอย่างนี้มีมีมีหน้าที่มีการกระทำที่เราต้องทาให้เหมาะสมถ้าเราไม่ทำเหมาะสมแล้วเราก็จะไม่ได้รับคุณได้รับประโยชน์จาก การเป็นของเรานี่คือเรื่องของการรู้จักตนข้อที่สี่ก็คือให้รู้จักบุคคลบุคคลก็คือหมายคนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราอยู่ในสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายเราอยู่กับสังคมอยู่กับบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็มีฐานะที่แตกต่างกันไป เช่นเราเกิดมาเราก็มีพ่อแม่พ่อแม่นี้ก็เป็นบุคคลที่สูงกว่าเราเพราะเขามีพระคุณเขาดูแลเราเลี้ยงดูเราให้กำเนิดกับเราถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็จะเกิดมาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นลูกเราก็ต้องรู้จักเคารพคุณพ่อคุณแม่รู้จักทดแทนบุญคุณ คือมีความกะตันยูกะตะเวทีนอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีคนอื่นมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีญาติมีปู่ย่าตายายพี่นา้าอาต่างๆบุคคลเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาให้เหมาะสมให้ถูกต้อง ผู้ที่สูงกว่าเราก็ต้องอ่อนน้อมให้ความเคารพผู้ที่ต่ำกว่าเราก็ต้องให้ความเอ็นดูให้ความสงสารผู้ที่เท่าเราก็ต้องให้มีความไม่ตีจิตมีความเมตตากรุณมีความเมตตาต่อกันถ้าเราไม่รู้จักฐานะของบุคคลต่างๆเราอาจจะ ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นที่ไม่ถูกต้องก็ได้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่เคารพพ่อเคารพแม่อย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นลูกอักตันอยูเป็นลูกเนรคุณหรือถ้าเราไม่เคารพครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเพราะครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเป็นผู้ให้ความรู้กับเรา เราจะฉลาดได้เราจะดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นได้ก็<ม>เพราะเรามีความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆดังนั้นครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่เราต้องน้อมนอบน้อมและให้ความเคารพนี่คือตัวอย่างของเรื่องการรู้จักบุคคลและข้อที่5ก็คือ การรู้สังคมรู้สังคมก็คือในแต่ละสังคมนี้จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่างกันเราอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมของเขาเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะเป็นคนแปลกไปแล้วเราก็จะเป็นคนที่ สังคมเขารังเกียจสังคมไม่ยอมรับนั่นเองสังคมของคนไทยก็เป็นอย่างหนึ่งสังคมของคนจีนก็เป็นอย่างหนึ่งของคนแขก็เป็นอย่างหนึ่งของฝรั่งก็เป็นอย่างหนึ่งวิธีที่เขาปฏิบัติต่อกันนั้นจะแตกต่างกันไปหรือสังคมของศาสนาของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันเช่นเดียวกัน เราทำอะไรเวลาเราเข้าไปอยู่สังคมใดท่านสอนให้เราอย่าไปนบหรือถึงแม้ว่าเราจะไม่ศรัทธาแต่เมื่อเราอยู่ในสังคมนั้นเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นไปถ้าเราอยะไม่อยากจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องให้เราแก่ตัวเราเช่นมีชาวต่างประเทศบางคน เขาไม่ให้ความเคารพกับพระพุทธรูปแล้วเขาก็ขึ้นไปปีนป่ายนั่งอยู่บนศรีรษะนั่งอยู่บนไหล่ของพระพุทธรูปคนอื่นที่เขาเห็นเขาเขาก็ไปแจ้งตำรวจมาจับไว้ลงโทษได้เพราะเขาไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธเ่าว่าเราให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป ไม่ลบหลูไม่กระทำการอันใดที่จะไม่ที่จะแสดงว่าไม่ไม่เคารพนับถือนี่คือการรู้เรื่องของสังคมเราต้องรู้จกักกำหนดธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ข้อที่6คือ ให้รู้จักกาลเทศะกาลเทศะก็คือให้รู้จักกาลสถานที่เวลาราสถานที่ที่เราไปในแต่และสถานที่นั้นก็มีวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง mm hmm. เช่นเวลาเราไปวัดเราก็ต้องปฏิบัติตัวเราแบบหนึ่งแต่งกายแบบหนึ่งไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ เวลามาวัดเราก็ต้องแต่งกายให้มิดชิดปิดไหล่คุมไหลไว้ปิดป้องขาหนวนไว้ให้ให้อย่างน้อยใส่กระโปรงให้ต่ำกว่าเข่าลงไปแต่งกายต้องเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉาดเรามาวัดเพื่อมาทำบุญเราไม่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์กันเราไม่ได้มาอวดความสวยงามของเรา แต่เราจะมาทาบุญมาศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะมาสํารวมกายวาจาใจของเราให้อยู่ให้เป็นที่เรียบร้อย<ม>ให้สงบสเสงียง่ยมดังนั้นเวลาเราไปสถานที่ใดเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะของสถานที่นั้นควรจะแต่งกายอย่างไรควรจะทำตัวอย่างไรมาวันก็ต้องสงบสเสงียง่ยมสารวม เวลาพูดคุยกันทำอะไรกันก็ไม่ส่งเสียงดังให้ทําด้วยการมีสติไม่เหมือนกับเวลาที่เข้าไปในสถานบันเทิงตอนนั้นส่งเสียงดังกันได้เต็มที่ร้องตะโกนกันได้อย่างเต็มที่กระโดดเล่เต้นกันอย่างได้เต็มที่แต่งนู้แต่งตัวแบบนุกน้อยผมน้อยกันได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไปแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนกับไปวัด แล้วไปตามสถานบันเทิงก็จะถูกเขาว่าเชยเสดังนั้นเราก็ต้องรู้จักกาลเทะรู้จักสถานที่เวลาที่สถานที่นั้นเขาทำอะไรเราก็ต้องสังเกตดูแล้วอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำเช่นเวลามาวัดที่ก็มีเวลาที่จะทำกิจต่างๆ ในเบื้องต้นก็มีการทำบุญใส่บาทถวายข้าวของเราก็ควรจะทำไปแต่พอเสร็จจากการถวายข้าวของตักบาทแล้วถึงเวลาที่จะทำพิธีกรรมต่างๆเช่นขอสินกล่าวคำถวายสังฆทานหรือฟังเทศน์ฟังธรรมตอนนั้นเราก็ไม่ควรจะทำกิจอย่างอื่นถ้าเรามาสายเราใส่บาทไม่ทัน เราก็รอก่อนรอให้เสร็จกิจของที่กำลังทำอยู่ก่อนเช่นกำลังขอสีนก็ต้องนั่งขอสีนไปพร้อมๆกันเวลารับพรก็ต้องรับพรไปพร้อมๆกันเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องทำไปพร้อมๆกันอย่าไปทำอย่างอื่นในขณะนั้นเพราะจะเป็นการไม่รู้จักกาลเทศะ แล้วก็จะไปทําลายบรรยากาศความสงบไปทําลายกิจกรรมที่สวยงามถ้าคนหนึ่งขอสีลอีกคนหนึ่งเดินตักบาดนี้มันดูแล้วมันไม่เหมาะสมไม่สวยงามดังนั้นขอให้เราต้องศึกษาเรื่องของกาลเทศะว่าเราควรจะทําอะไรในเวลานั้น เช่นเวลาผู้อื่นพูดเราก็ไม่ควรจะพูดเราก็ควรจะฟังปล่อยให้เขาพูดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยพูดถ้าเพราะเพราะท่าต่างคนต่างพูดก็จะไม่มีใครฟังพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราพูดเขาก็ไม่ฟังเขาพูดเราก็ไม่ฟังเราไปพูดให้เสียเวลาทำไมเวลาพูดนั้นคนหนึ่งต้องพูดอีกคนหนึ่งต้องฟัง หรือเวลาเวลาอีกคนหนึ่งเขาฟังเราก็พูดเนี่ยต้องสลับกันอย่างนี้คือเรื่องว่าการรู้กาละเทศะเมื่อเราทำอะไรที่ถูกต้องไม่ผิดกาละเทศะเราก็จะไม่ถูกผู้อื่นประนามหรือถูกเขารังเกียจนั่นเองเราก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์ใจข้อสุดท้ายก็คือรู้ประมาณ คำ ว, ว่าประมาณก็คือรู้ความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความพอดีเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ต้องมีความพอดีต่อขนาดร่างกายของเรารองเท้าที่เราสวมใส่ก็ต้องพอดีถ้ามาถ้าใหญ่เกินไปใส่ล้วหลวมใส่ก็ไม่ดีถ้าคับเกินไปใส่แล้วก็จะเจ็บเท้าต้องใส่แบบขนาดพอดี การกระทำาะต่างๆโดยเฉพาะการบริโภคปัจจัยสีด่ดีก็ต้องมีความต่อดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะเพราะปัจจัยสี่นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองปัจจัยสี่ก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มและยารักษาโรค เราต้องรู้จักประมาณในปัจจัยสี่อาหารก็รับประทานพอประมาณไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปส่วนราคาของอาหารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารแพงๆอาหารที่ถูกๆ ก, ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเพราะว่าอาหารนี้เพียงแต่มีหน้าที่ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอาหารแพงๆก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันอาหารถูกๆ ก, ก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันที่เราชอบอาหารแพงๆนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของร่างกายเพราะเราชอบกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ในบรรยากาศอย่างนั้นบรรยากาศอย่างนี้เชน่นอยู่บ้านรับประทานอาหารแล้วไม่อร่อย ต้องไปออกไปรับประทานอาหารตามโรงแรมตามร้านอาหารหรูๆปีคนคอยเสอือมีเสียงเพลงกล่อมมีบรรยากาศที่เย็นที่สบายนี่นี่นี่เป็นการรับประทานอาหารแบบไม่พอประมาณไม่พอดีการรับประทานแบบเลยขอบเขตไปไม่จำเป็น เพราะมันจะทำให้เรานั้นต้องลำบากต่อการต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยดูร่างกายชีวิตของเราก็จะต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายหาเงินหาทองมาเพื่อที่มาใช้กับสิ่งที่ไม่จาเป็นไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่อย่างใดแต่ถ้าเรารับประทานอาหารพอประมาณ เราก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรีนบนนหาเงินหาทองมามากมายเพื่อมาใช้กับปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มก็แบบเดียวกันเครื่องนุ่งห่มนี้ความจริงก็มีหน้าที่ไว้ปกปิดอวัยวะร่างกายปกปิดรักษาป้องกันไม่ให้แมงมแรงมากัดหรือป้องกันความหนาวเย็นเ ท, ท่านั้นเอง เสื้อผ้าราคาถูกๆ ก, ก็ทำหน้าที่นี้ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาสวมใส่บ้านก็เช่นเดียวกันบ้านก็มีไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนป้องกันภัยจากบุคคลอื่นหรือสัตว์ร้ายต่างๆถ้าเราไม่มีเงินจะซื้อบ้านเราเช่าบ้านอยู่ก็ได้เหมือนกันบ้านก็มีหลายราคา บ้านราคาแพงๆกับบ้านราคาถูกๆก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันดังนั้นเราควรที่จะรู้จักประมาณอย่าไปหลงฟุ้งเฟ้อกับความฟุ้งเฟ้อเหอินเหินซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่จะไม่มีวันพอในบ้านราคาแพงขนาดไหนก็จะไม่พอก็อยากจะได้บ้านที่แพงกว่านั้นใหญ่กว่านั้นขึ้นไปไเรื่อยๆ นี่คือเรื่อง ก, การรู้จักประมาณขอให้เรารู้จักความพอดีของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยคือเช่นปัจจัยสีถ้าเรารู้จักประมาณแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆ ถ้าเราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปทำำํากรรมเพราะเวลาที่เราอยากได้เงนินได้ทองมากๆเรามักจะไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมขอให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราต้องพูดปดก็จะพูดปดถ้าเราจะต้องโกงเราก็จะโกงถ้าเราจะต้องฆ่าเราก็จะฆ่าและแล้ผลที่จะตามมานั้นก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้มา เพราะสิ่งที่ได้มานั้นให้ความสุขเราชั่วเดียวๆแต่ผลที่คือความทุกข์ความเสื่อมเสียที่จะตามมาสิ่งของที่เราได้มานั้นไม่สามารถลบล้างออกไปได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักประมาณในการกริโภคปัจจัยสี่นี่คือเรื่องของความรู้นางพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้น มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญปราศจากปัญหาปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆจึงขอให้ท่านจงน้อมเอาความรู้ทั้งเจดประการนี้ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป <c oughs> การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพ็งกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแรางปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ